ผมได้ยินเสียงเสียงเพราะเสียงเขาด่ามีความรู้สึกอย่างไรนั่นละมาถึงใจอะไรตัใจเป็นผู้รับรู้อะไรตจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันที่ส่งเขามาหาใจใจรับรู้เรื่องต่างๆนี่แหละอันนี้ละตัวใจตัวนี้ละเป็นตัวที่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญอย่างมากเรื่องของใจ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 เพราะตัวเองยังไม่เป็นไรแต่อีกสักวันก็จบเหมือนกันแลไม่มีใครที่จะยื่อโชคฟ้าดินสลายไปได้พูดได้ในขณะที่ยังไม่ถึงจุดนั้นถ้าถึงจุดนั้นแล้วคุยไม่ออกเหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าท่านว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดไม่มีใครที่จะหลีกเี่หนีพ้นไปได้แต่ทํำยังไง ท, ที่ว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าหลวงพ่อกําลังพูดอยู่จุดนี้นะจะให้ออกยังไง ให้ทำยังไงนี่แหละอันนี้เราต้องศึกษาที่ศึกษาก็คือเรื่องของใจเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเราจะทำยังไงจะทำให้ใจ ด, ดวงนี้นะรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องต่างๆทั้งหลายทั้งปวงต้องศึกษาต้องปฏิบัติ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 อนุสติคือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้10อย่างเรียกว่าอนุสติคือระลึกถึงกรรมฐานที่ควรระลึกถึงสิบอย่างพุทธานุสติคือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าธรรมมาสังขาศีลาศีลารือระลึกถึงศีลจาคาระลึกถึงทาน เ, เทวตาระลึกถึงเทวดาคุณค่าที่จะให้เป็นเทวดานะั่นคือทําตนอย่างไรที่จะเป็นเทวดาได้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 ที่จะมาถึงกับตนอยู่ตลอดเวลา อ, อ, อุปชมาอนจติและลึกถึงคุณของพระนิพพานที่จะดับกิเลสและกองพุกได้นี่แหละอันนี้คืออนุจติสิบที่พระพทุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้แต่ถึงยังไงพวกเราหลวงปู่เสาหลวงปู่มันท่านว่าให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับพุทโธ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 ก่อนที่จะนั่งเราตั้งจิตอธิษฐานซะก่อนวันนี้เอาเถอะข้าพเจ้าทําธุระการงานหมดแล้วข้าพเจ้าจะนั่งอยู่ในห้องพระข้าพเจ้าจะนั่งประมาณสักสามชั่วโมงวันนี้จะไม่ขยับเขยื้อนแล้วก็จะบังคับให้จิตใจอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดจะไม่ให้เผล่ อ, อหายใจเข้าข้าพเจ้าจะบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทพุทโทนี่แหละให้มีตั้งจิตอธิษฐา น, นคําว่าอธิษฐานอธิษฐานคํานี้นะ่ะ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 แต่นา้มมาำมธรรมคือใจของเราตัวผู้รู้ในเอเจ อ, อกจากร่างไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปเกิดเวียนไหวตายเกิดในว่าวัฏะสงสารเวียนไหวตายเกิดในวัฏะสงสารก็คือใจของเราเนี่ยตัวตัวผู้รู้นามมาธรรมตัวนี้แหละตัวที่มองไม่เห็นเนี่ยแต่พระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจนะมากกว่าเรื่องของกาย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 รูมาแล้วเห็นมาแล้วแต่เว้นเสียที่ลูกหลหานหันหลังให้ท่านหันหลังให้ก็ไม่ว่ากันอนรกก็ยังไม่เต็มถ้าทําความชั่วพร้อมที่นรกก็ยังไม่เต็มไม่เหมือนคุกเมืองไทยทําคุกเมืองไทยมันเต็มมันล้นนะแต่คุกเมืองนรกคุกเมืองผีเนี่ยไม่มีเต็มจ้วันก็เหมือนกันไม่มีเต็มถ้าใครอยากจะได้ก็เลือกเอาได้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 หลวงพ่อเองเป็นผู้บอกกล่าวเท่านั้นเองแต่พวกเราท่านทั้งหลายจะเชื่อและไม่เชื่อนั้นเป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายจะต้องกันกรองไตรตองตัวเหตุและผลถ้าพวกท่านลงมือประพฤติปฏิบัติดูแจง้งเห็นจริงและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเออมันถ้าหากว่าปฏิบัติได้แล้วแต่ถ้าว่าปฏิบัติยังไม่ได้เนะ่ะได้ยินแต่หลวงพ่อพูดเนะี่ยเออเหมือนกับโอ้ยออพูดเกินจริงหรือเปล่านะก็สุดแท้แต่พวกเราจะเดา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 แน่ใครทำใครทําความชั่วก็ทําไปเถอะอความชั่วนรกนะพร้อมที่จะรับพวกเราท่านทั้งหลายอยู่สวรรค์ก็เหมือนกันถ้าใครทําความดีกว่า น, นั้นนะสวรรค์ก็ขอยรับพวกเราอยู่เหมือนกันเพราะนั้นนรกและสวรรค์อย่างไม่เต็มนะพี่น้องลูกหลานคณะสัตยา ญ, ญาติโยมนะแต่ถึงอย่างไงอย่าไปเถอะนรกมันทุกข์นะไปสวรรค์ดีกว่าถ้าไม่มาเกิดในวัฏสงสารถึงพระนิพพานนะั้นเลิศประเสริฐที่สุดนะ อันต่อี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร